ทุกทีคับบดีเก้าพิสุ ข, ขอพจนะอันตรานีพคือเข้าสุกเที่ยวคนไม่ได้นึ่ใสในคนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อน ม, มสดน ม, มส้มต่อกระหอดที่ไม่ใช่ยาตไม่ใช่ปรบารณาเอามาฉัน้นแบาบัดปลายิตีอันนี้ก็ตอนน ล, ลมโดยหลักมหาประเทศคืออาหารอย่างดีดีที่เขานิยมกันในปัจจุบันนี่ดนพูดแบบแบบแขก ในดินแดนนั่งเข้าทําแบบแขก ๆ, ๆนี่เราโนโลในกันไม่ปัจจุบันก็มันคล้ายคลึงกันแบบนี้แต่อาหารชั้นดีไอ้ที่เรากินนี่มาอาหารตามเราให้มันไม่เคยชอบใจบอกนี่ทาไม่นั่นเถอะทําไม่นี่เถอะที่มันดีกว่านี้นอแต่คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใชปรณนารถาเป็นญาติเป็นปรนปรณาไมายคาเขาบอกว่าขออะประขอได้ก็รับอยากกินอะไรก็บอก แต่ว่าพระนี่ผมว่าไม่ควรจะเป็นคนอยากตัดไปซะเลยดีกว่าไอ้ตัวอยากนี่มันเป็นตันหาเนี่ยอยากส่งเด็กเข้ไปไม่เป็นเรื่องเป็นไหมแต่ว่าร่างกายของเราป่วยไข้ไม่สบายอาหารประเภทไหนมันไม่เหมาะสมอาหารประเภทไหนเหมาะสมก็แนะนําเขาบอกว่าประเภทนี้มันไม่ดีกินแล้วไม่สบายแต่ว่าต้องป่วยไข้ไม่สบายจริงๆไม่ใช่ปะ เอาสายความอยากเป็นสําคัญไปอ้างเหตุแบบนั้นนี่ลงนรกเป็นโกโหกเขาด้วยสิขาบฏิสิทธิสุกเกือกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่ได้รับประเพนให้โล่งทวารปากเข้าไปต้องไปจิตีเว้นไม่แต่น้ำไหลหรือไม่สิฟันขอโทษเว้นไว้แต่น้ําและไม่สิฟั น, ว น, ว น, ฟนความจริงน้ำนี่ ไอ้ที่บางแหงเขาเขนน้ำลังหนะ้านี่หมายความจะ ก, กินอะไรก็ตามต้องให้เราประกันซะก่อนเว้นไว้แต่อยู่คนเดียวอันนี้ต้องวางไม่ได้นะถ้าอยู่คนเดียวหาคนประเันไม่ได้อดตายถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องประเันนะเราได้เขาเรามาเองเรารับประกันมาแล้วนี่นะว่าบัเอิญเจ้าของก็มาวางไว้ยังคนก็มาทาบุญทำทาน เอวาวางวางไว้อนี่หนุ่มนี่ชอบใจนี่ลรอันเลยอันนี้ของโยมแล้วนี่วะนี่ของคนนี้รู้จักกันเหงกินเลยเขาไม่ได้บอเขินอันนี้เป็นบาปเพราะไม่ได้รับระเคนะปลาจิตตีปลาจิตเป็นบาปนี่ไปไหนเนี่ยลงนรกไหมรากของเขียวยังเป็นสัจจะฉัน แต่กลุมเดรกรามแบบนี้ก็น่าจะดันลงบปนรกเพราะว่าทำตัวไม่เหมาะสมนี่ต่อไปอีกวักหนึ่งอาเจยและกวักก็วักที่ห้ามีสิบสิขาบทเหมือนกันอาเจยและกวักข้อที่หนึ่งพ่สุให้ของเกี่ยวของฉันพ่ออาเจยล์กลกนักบทนอกศาสาศนาด้วยมวืตอตนเองเริ่มปลายเป็นปเป็นปลาิตี๋ คือว่าถ้าเราจะให้เขาเราก็บอกให้ให้คนอื่นหยิบไปให้ี่หมายว่านักบทนอกาาศาสนานี่จะหยิดยื่นให้เขาไม่ได้ของเคี่ยวของฉันนะ่ะเป็นได้วม่แต่ ว, วัตถุนี่ถ้าจํากัดไว้ว่าของเคี่ยวของฉันในคขาบทนี้ของใช้ธรรมหรือพูดแต่ของใชรร้ชสําหรับอีคขาบทนี้ไม่เป็นไรไอ้พวกกันไปทำเช่นนี้เพราะาในฐานะเขาถือสํานักกัน ว่าเจนลกขบวนนอกศาสนาเขาก็ถือไว้อย่างหนึ่งว่าเขาแน่ก็เราก็ถือว่าพวกเราบริสุทธิ์ตอนนี้เขามันมีกิเลสพอเราไปส่งให้เขาก็หาบัคเคียนให้กับเขามีพระสงฆ์เคยถูกนินทามาแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงห้ามไปเลยไอ้ที่ห้ามเนีไม่ใช่หวังอะไรหวังจะสงเคราะห์คนที่เขานินทาจะได้ไม่นินทาอีกจะได้ไม่ตกนรก เราฝ่าฝืนบทบรรยายข้อนี้เราก็น่าดูเหมือนกัน ก, การฝ่าฝืนพุทธบรรยายของพระเจ้ามีทางไปทางเดียวเพื่อบายภูมิยันนีก่ก็ไม่เป็นไรนิ่เลยขาบทีสองพิสูนชวนพิสูจอื่นไปเที่ยวบินบาทด้วยกันโดวยหวังจะประพฤติอนาจารไล่เธอกลับมาเสียต้องไปอฏ่ทีนี้ก็แกงน่ะ นี่แรกบอกคุณมาบอกว่าคุณมาเป็นนบททัตด้วยกันเถอะแต่ว่าในที่สุดเธ อ, อไปถึงกลางทางเอไมหมอนี่ไม่ได้ไล่เธดีกว่าไล่เธอกลับมาก็เป็นการทำให้เขาได้รับความอายเป้นนบัตปายิตีตัวนี้มันเป็นโตตัวฤษียานนี่โนน่ยเอาเวจีมาหานรกสบายเห็นไหมล่ะ เทวดาบัดไปยีตียบัรเล็กน้อยเนี่ยฟังมาบ่อยๆเพราะเทวาดาวมันสอนกันดีนะักเวลารับคําสอนมีบางท่านโอ้ของเล็กน้อยประเภทนี้แสดงบ่ก็หมดไปมันหมดที่ไหนเนี่ยถึงได้บอกว่าพระนะ่ะเดินทางลงนรกกันเป็นแถวหมดไม่เลือชั้นวรณ น, นะเนียยศฐานมรนดาศักใหญ่แสนใหญ่ยังไงก็ทําดีเสร็จสา ม, มีสุดสําหรับการนั่งแทรกแสง ในแต่คนที่กําลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปยิบติที่เขากินข้าวกันอยู่เป็นนั่งแซงเขามันไม่ใช่เรื่องของตัวนี่เขาไหว้เขานั่งอยู่เราไปแซงมันก็ไม่ควรเขากินข้าวอยู่นี่เป็นนั่งแซงมันก็เป็นไม่ใช่พระแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนก็คนเลวพระมันก็เลวกว่าเขาอย่างนี้ก็ตกนรกกัสิ พอทำอะไรเขาขาดความเรื่องใสในพุทธศาสนา<ๆ>เขาก็พาติเตียนพระศาสนาว่าเปนไ ม, ไม่ไม่มีเรื่องเป็นเราเอาเรื่องอะไรไม่ได้คนในพุทธศาสนามีแต่คนเลวคอยพระพุติเจ้ามัวหมองไปด้วยตัดทำลายความดีของคนที่มีสตานี่ข้อดีสี่พิสูจนนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องเป็นมบัดปลายยุตินี่ไม่ตรงอนิยต ในห้องถ้าไม่ี่ไม่มีวิชาผู้ชายเป็นเพื่อนท่านี้ต้องเว้นไว้แต่ห้องโปร่งที่มีคนมองดูได้ง่ายไม่นี่พูดอย่างนี้ต้องหมายถึงห้องลับไม่มีผู้ชายเป็นเพื่อนนะแปะบัดปลายจิตตีห้าวิสุท์นั่งในที่แจ้งกับผู้หญิงสองต่อสองแปะบัดปลายจิตตีนี่แค่นั่งนะไอ้พูดเกี่ยวกันปรับอีกเรื่องหนึ่งนะ ถ้าไปเกี่ยวไปจับก็บปรับอีกเรื่องเอาแค่นั่งอย่างเดียวสองต่อสองเขาว่าหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองนี่เป็นศัตว์เราใช้จนชินความจริงมันหนึ่งต่อหนึ่งรวมเป็นสองไม่ต้องอธิบายพระวิสุ ร, รับนิมนต์ด้วโคชนะทั้งห่านแล้วจะไปนาทีอื่นจากที่นิมนต์นั้นในเวลาก่อนฉันคนดีฉันกลับมาแล้วคนดีต้องลาวิสุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ ถ้าไม่ลากรีไปต้องไปจิตตีเว้นไม่แต่สมัยคือการจีวรแในเวลาทํำจีวรไอ้การจีวรเวลาทั้ำจีวรเวลานี้เลิกไม่ใช่กันแล้ว <c oughs> นี่หมายความว่ากินอยู่แล้วนี่มากินอยู่กับเขาเวลาจะไปก็ต้องลานี่ไปลามาไหวเป็นของทัท้งหมดเาะนั้นก็เสียมัญยา่าใช้อะไรไม่ได้ข้อเจ็ดถ้าเขาบวชภาวนาด้วยปจัจจัยสี่ถึงสี่เดือน พึงขอของเขาได้เพียงกําหนดเท่านั้นถ้าขอเกินกว่ากำหนดนั้นไปต้องปาจิตีิเว็นไว้แต่เขาบวบปรบปรณาอีกนี่เขาบอกให้ไว้นะเบอร์ในระยะสี่เดือนนี่เป็นคุณเจ้าต้องการอะไรก็ขอได้นะครับแต่ต้องควรกับสมณบรุรโภกแ้่เกินพอดีแล้วก็เสร็จถ้ามุดเขากำหนดไว้เท่านั้นถ้าเลยไปขอเขาก็เรี่กขาดกันการปรบปรนการมอบหมาย ถ้าเขากาวนาอีกต่อไปก็ไม่เป็นไรแปดพิสุไปดูขบวนทัพที่เขายกไปเพื่อจะลบกันต้องปลายจิตตีเออเวลาก็ลุบทัพจากจิไปดูเขาไปเรีนดูเขาเป็นปลายจิตติไม่ต้องบอกแต่พระนำทัพเดินขบวนนี่เป็นอัมบัตอะไรเนาะไม่เป็นมั้งเพราะว่าไม่เป็นพระแล้ว ถ้าไม่เป็นเท่ากันแล้วก็ไม่เป็นอาบัติจะไปเดินขบวนกันแล้วนะจะไปนั่งสมธาธิภาวนาเพื่อบรรทุกนี่ไม่เป็นเรื่องก้าวท้ายเฮตี้ต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียงสามวันหมายควาเหตี้ต้องไปมีอยู่ไปเยี่ยมญาติที่เป็นนักรบหรือไปอะไรก็ตามไปสงเคราะห์อยู่ในกองทัพได้เพียงสามวันถ้าอยู่เกินาหนดนี้ต้องป่าจิตตีนี่ก็มีอะไรไม่ยาก ก็สิบเวลาที่อยู่ในกองทัพต่างกำหนดนั้นถ้าไปดูเขาร ก, กันก็นดีแล้วไปดูเขาตรวจคนคนดีดูเขาจัดกระบวนทัพกนดีดูหมู่เสนาที่จัดกระบวนทัพกนดีต้องฟาจิตีเป็นเลยพูดอย่างง่ายๆว่าเวลาที่อยู่ในกองทัพต่างกำหนดนั้นนะอย่าไปดูเขาเฮียตั้งท่าตั้งทางเตรียมท่าอะไรแบบไหนก็ช่างไปดูดีไม่ดีเป็นแนะนำหรอกด้วย อย่างใครก็เช่งถ้าอย่างผมไปดูเราเสร็จโดนแน่ดีไม่ดีก็ยังบอกเออกาลังแกจัดมันไม่พอนี่มาตั้งท่าแบบไหนลราโอ๊ยแบบนี้ไม่เป็นเรื่องครับไม่ไม่ไมไมไมเป็นเรื่องต้องจัดอย่างนี้ดีข่ะสึกมาแบบนั้นลงตีแบบนี้มแม่ผมมันเคยเสด้วยนี่ถ้าอย่างผมก็ไปจะไปนําบัดเคยว่านั้นอีกถ้ไปเหมือนกันไปเยี่ยมเขาแล้วเดี๋ยวกลับมาไปดูว่าจัดกระบวนทัพ ก็ไปเดี๋ยวไหนะเดี๋ยวพแนะนำเขาเข้าแต่ไม่ใช่เป็นนักรบจริงอะไรมันเคยรบดีไม่ดีเขาวางแผนไม่ถูกใจบอกเอ๊ะนี่สมัยก่อนนี่ก็ทำกันแบบนี้นะเราควรจะทำตามนั้นนี่อย่าไปเลยนะต่นี้มาสุราปาในวัดอันดื่มสุราปาหน้านี่ก็ไปว่า ด, ดืม่มสุราดืม่มรากกินเล่าสิมาเจอฆ่าแล้ว แล้วก็ไม่ใช่สุนัขด้วยเลวไกวเป็นสัตว์นรกหนึ่งวิสุทธ์ดื่มน้ำเมาต้องไปจิตติไอ้น้ำเมานี่มันมีเว้นอยู่ว่าถ้าเป็นกระแายยาแล้วก็ต้องไม่มีรสไม่มีกลิ่นอย่างเขาผสมวิเครา์ต่างๆเวลานี้ก็ก็เขาใช้แอลกอฮอล์ไม่กันไอ้รสเหล้าก็ไม่ปรากฏกลิ่นเหล้าก็ไม่ปรากฏใช้ได้ สองวิสุจีวิสุตอัตบัจญาติที่ให้ให้เสียวกระสันให้ล้อตกใจเรื่องนี้เขาเล่นอย่างเด็กสามวิสุไว้น้ําเล่นต้องเป็นมอัตบัปยุติถ้าไหวน้ําไปช่วยคนไหวน้ําไปเก็บของที่มันมีค่าคืเป็นของเราหรือของสงฆ์ไม่เป็นไรสี่วิสุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัยต้องปฏิญาติเอาแล้ว เออไม่เ อ, อื้อเฟื้อนะั่ะท่านปรับอบัาปปายุตีแต่ว่าถ้าไปแล้เมื่อสิกขาบทใดสิขาบทหนึ่งปรับจะพ่อสิขาบทอีกเอย่าไป น, นึกว่าเอทฉานไม่เ อ, อื้อเฟื้อในวินัยเป็นาบาปปายุตีอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ไอ้หายวิสุร้อนวิสุให้กรัผีต้องเป็นปายุตีให้ระวังนะระวังที่นั่นผีดุไ อ, อ้นี่นี่ผีดุกายไปนะถ้าไปร้อนเขแบบนี้เป็นปายุตีโก็โหกะ เอศูนย์ไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเปลวก็ดีให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะผิงต้องปฏิทีติดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอันวัดนี่ไม่เป็นไข้เนี่ติดไฟเป็นเปลวอกเป็นฐานไม่เป็นไรพอเป็นไข้เนี่ยทางวิญาตเพรมันหนาวหนักทนไม่ไหวอาการไข้มันกำเริบถ้าไม่ทาไม่ติดไฟผิงถ้าติดให้เป็นฐานไม่เป็นไรถ้าติดเพื่อหุงข้าวอันนี้ไม่เป็นไรหรอก ขอข้าวต้มน้านี่ไม่เป็นไรแต่ขอข้าวต้มน้ํามันมีแต่ปูนไม่มีฐานนี่ไฟมั น, นก็เป็นเปเลวที่ข้อเจ็ดที่สุดอยู่ในมันธยมประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดียมีสิบสิบห้าวันยนอาบน้ําในคนหนึ่งถ้ายาวไปถึงสิบห้าวันอาบน้ําต้องตายิยีปีโอยุ่งทีเมื่อแต่มีเหตุจําเป็นในประจำในประเทศ เช่นประเทศเราอาบน้ำได้เป็นนิดไม่จะน้ำบัดเอาสโ อ, โอนี่ไม่เป็นแล้วเพรเราไม่ไปอินเดียนี่ในมัธยมประเทศเนี่บกกลางประเทศอินเดีย15วันยังอาบน้าได้คนหนึ่งความจริงประเทศอนเดียมันหาวน้ายากนีความมุหมายท่านไปยังไงก็ช่างเด็ดไม่อธิบายแล้วเราไม่เป็นแน่ ก็ได้แปลพิสูตได้จีวรใหม่มาต้องบิธทุเดชสีสามอย่างคือสีเขียวสีครามสีโครวสีดำอย่างใดอย่างหนึ่งจงนุ่งได้ถ้าไม่ทําปิธทุ ก, ก่อนแล้วนุ่งผมต้องปาดจีไอคำว่าบิธทุเนี่ยทำให้เป็นเป็นเครื่องหมายขึ้นมาจะได้จำกันไว้วันนี้ของเราจะไม่ใช่ว่าทําให้มันเสียสี <c oughs> ถ้าเสียสีจุดนิดเดียวนี่ไม่มีประโยชน์ เพื่อจะได้ไม่จะได้ไม่แยง่งจีวรกันไม่แย่งเสบุงกันเพราะของฉันนี่ฉันแต้มไว้ตรงนี้นะวนนั้นของฉันฉันแต้มไว้ตรงนน้นนะแต้มจะประจำที่เขาไว้ดีมันดีเห็นก็แต้มที่ตรงนี้เห็นผ้าก็าดีแล้วแต้มมั่งที่แต้มมันที่เดียวกันแล้วก็อจีวรเก่าของเราไปแลกของเขามาบอกเอ้ e y, ฉันแต้มตรงนี้นี่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่ตั้งกันไม่ไมันเกิดแยง่งเกิดทะเลาะกันความจริงพระเนี่ยก็ ไอ้ที่เรื่งมันมีบทบรรยัญญติมันมีเรื่องมาแล้วท่านที่บัญญัติแต่ ว, าว่าพระดีเสมอนักบทดีเสมอไปก็ไม่ได้ทีเร็วยิ่งกว่าสัพพิไดช้นก็เยอะแยะไป <c oughs> ก้าววิสุวิกับจีวรจะวิสุณีหรือสมณีแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนหนูจีวร น, นั้นต้องไปล่อยอยู่ติดนิกับแปล ว, ว่าเอาไว้ทางกลางเป็นของของสองเจ้าของเวลาเราจะนํามาใช้ต้องบอกเขาเส ก, ก่อน เขาบอกอไปใช้ได้ก็าบอกถือว่าเป็นการถอนทำไมว่ากับธรรมศาสตรดีไม่รู้เรื่องก็มาเด็ดความต้องแปลเป็นถ้าแปลจะต้องแปลแล้วต้องไปแปลมันทำไมก็พูดภาษาไทยไปเลยว่าย่วานี่ผมได้เกินพอดีมามันผิดระเบียบตามพระบีไหนถ้ายังไงก็ดีแล้วก็ผมถ้าท่านถือว่านี่ไปขอส่วนกลางนะ เมื่อใครไม่มีจีวรจะใช้มาใช้ต่างคนไปนใช้แต่ต้องบอกกันก่อนนี่เราสารธรแบบนี้นี่เวลาได้เราจะนามาใช้เราต้องบอกก่อนไม่งั้นเขาก็จะหาแย่เด็กนี่ว่ากันหมดไปละสุราปานวัตรแต่ไม่ยักมีแต่เล่ามีจีวงจีวรมีบาดจีวรเข้ามาด้วยที่มีแต่เล่าอย่างเดียวสินี่ไปอีกทีสัปปาณวัตรที่เจ็ดนิสิติขาหมด หนึ่งมิสุกแกล้งค่าสติธรรมน้งไปเปินปาจิตีแกล้งนะถ้าไม่แกล้งไม่เป็นไรไม่รู้อยู่ไม่เป็นไรตั้งใจลงนรกดิ่งเลยข้อนี้ไม่ไม่สบาไม่เป็นปาจิตีนี่ลงนรกตียุงตีมดลงนรกเท่านั้นอาสองมิสุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำ น, นั้นเป็นอ้ำบัติปาจิตีสือขาบิก่อนถ้ามาไปรถผักก็ยาดับดิ่ง นี่รู้านามีตัวสัตว์กินน้ำไอน้น้ำที่มีลูกน้ำเนี่ยไปตักในตุ่มนั้นมากินนะสัเด็จจะไปบอกว่าสัตว์ไม่ได้อยู่ในขันนะถ้านมันมบอกไว้นะนี่ําแบบอธิบายจะไม่ผิดจะบอกให้สามิสุรอย ว, ว่าอดีตนี้สง ท, ทาแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกับทาใหม่ตรงปฏิติคาว่ า, าอดีตนี่มันเป็นคดีระหว่างสง อย่าที่แก้ว่านเขาโจทกฟ้องกันนี่คณะกรรมาการส่งฆ์เขาตัดสินตามมาธรมธรมวินัยแล้วแต่ว่าตัวเป็นพวกกันนี่จะได้รับสินบส้นบน่ายคาสิบบทเอามาหรือถอนใช่ไหม่ท่านมีอนาจมากกว่าก็ทำใหม่ท่านปรับไปอวบปฏิบติอันนี้ก็ลงนรกดิ่งสบายเจตนายชั่วสีข่ขาบที่สีรู้อยู่กแกล้งปกปิดอวบความชั่วยาวเขาไม่สู้อืน่นต้องเป็นปาจิตติ รู้อยู่ว่าเพื่อนพระเด็กันเป็นอันบัตรประราชิกสังคาดิเศศด้ือว่าปาริตรีอะไรกระราชิชสังคาดิเศสนี่นบัตรโวยากจะปิดไหมไม่บอกใครกลัวเพื่อนจะเสียหายอันนี้ตัวเองลงนรกไปเลยช่วยกันสร้างความชั่วสิขาบทีห้าปิสุรู้อยู่เป็นพระอุปชฌายาอุปสมบทคุณบรตผู้มีอายุย่นกว่ายี่สปีต้องเป็นอันบัตปรปาริตี ไม่รู้เขาอายุไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยไปบวชเขาแล้วก็คนที่บวชนั่นก็ไม่เป็นพระาสาด้วยไม่เป็นไม่ครบอายุไม่ครบบวชบัญญัตินี่ไม่ได้ต้องตรงเป็นขกบสุรู้อยู่ชวนพ่อข้าโคซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะวันหนึ่งต้องวัดไปอิติวันบ้านหนึ่งนะเปญนระยนวันนงถ้าไปกับพระในมันทีเขาไม่ตรวจภาษี เราคิกวพระบริสุทธิ์รู้อยู่ว่าคนนี้นี่ของเสียภษีแต่จนีภาษีไปเพื่อเป็นการคุ้มครองนี่อย่างถาพระไปตัดไม้ในป่ามาสร้างวัดนั่งหน้ารถตํำรวจที่ป่าไม้ก็เห็นข่าวว่าอ๋อนี่พระท่านจะไปสร้างวัดตอนนี้เป็นประราชิดไปเลยนะแต่ว่ามีชมบายนี่เขาจะต้องเสียภาษีเราชนมาได้กัน อันนี้เป็นนามบัตปรปลายจิตีถ้าร่วมกับเขาแล้วก็เสร็จเลยเป็น布拉ชิกก็ดีเจ็ดพี่สูตชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นอายะบัณฑหนึ่งก็ต้องเป็นนามบัตปรปลายจิตีเดินทางด้วยกันในหมายแต่ว่าไม่มีผู้ชายร่วมด้วยความจริงนี่ควจะเป็นที่เปลวถ้าที่ที่คนตกใจโจ้าใจแล้วก็ไม่ปรับตามเนี่ย แต่ว่าท่านไม่บอกว่าเป็นที่เปลี่ยวขอยาห้ามแบบมันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรไม่น่าดูเพาเป็นพระเป็นเจ้าฉเราตามท่านไว้แล้วกันไม่ไปฝืนท่านพอดีแปลที่สุกล่าว ค, คําคล้ายคลาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่สูวอื่นห้ามไม่ฟังส่องสดใบกไก่ข้อความนั้นจบต้องไปหยุดที กาจรจีงการกล่าวคำคายค้านคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เขาถือพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดียน์ถีไม่เห็นพระอยู่แล้วนี่ถ้าปรับตัวนี้กล่าวคำคายค้านจุดหนึ่งแต่ถ้าจิตไม่ยอมรับนับถือเลยไม่เช็นพระเลยนี่ถ้าปรับเฉพาะคําพูดที่ค้านแต่ว่าจิตเป็นไปด้วยบอกไม่เอาแล้วคําสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ไม่เป็นเรื่องฉันไม่เอาด้วยแล้วห้า ม, น, น, ามนั่นห้ามนี่ ดีไม่ดีก็จะขี้ก็ไม่ได้เยี่ยวก็ไม่ได้ดีไม่เอาด้วยแล้วอย่านี้แล้จิตไปด้วยม่เจ็บละถ้าห้ามเฉยๆคานเฉยๆมันนี้ฉันไม่เห็นชอบด้วยนี่อย่างนี้จะปรับยาบัรปลายจิตตีถ้าปรับถ้ากล่าวคําคายคานแล่านี้มันก็ไปนรกดิ่งแล้วสบายกาววิสุคบวิสุเช่นนั้นนี่ย เลี๋วนี้มีเยอะนี้พระโอโหพระเทวันดาสหพันคณะสงฆ์เนี่ยคัดค้านต่อสู้กับรัฐบาลเดินขบวนช่วยญาติโยมที่สุขทั้งหลายเราก็ไม่เป็นไรพระที่ต้องอาศัยชาวบ้านก็กินข้าวของชาวบ้านต้องช่วยชาวบ้านอันนี้พระพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วพระจะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนว่ายุ่งอย่างนั้นก็เป็นการคัดค้านคําสอนพระพุทธเจ้า แล้วก็ยิงออกเดนกระบวนนั่งไปชมทวงยศฐาบมันดาศักก์กันแล้วก็อะไรออกออกพลังการแนวร่วมคณะสงฆ์นี่ผมเองก็พลอยบรรลัยไปด้วยแต่ผมไม่ได้ไปร่วมกับมันสักหน่อยนี่มันบอกคณะสงฆ์แล้วก็เป็นสงฆ์ไปด้วยเพราะที่ไม่รู้ไม่ชื่อหลายแสนองไม่รู้ไอ้ตัวระยำระยำนี่มีกี่ตัวไอแบบนี้นี่มันไม่ใช็นพระแล้วผมไม่ถือว่าเป็นพระ นี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าไป็นอาเลชีไม่มีความอายไม่ยอมเคารพในประธานวินยัยจะบอกว่าเป้าบัตรเล็กน้อยเดี๋ยวมันยกให้ไม่ได้อบัตรน้ำมันเล็กน้อยดจใจไม่เจ็พระเจ้าอะไรล่ะเจ้าอะไรมันเห ล, ลือนี่ข้อก้าววิสุครบพิสุขเช่นนั้นร่วมกิงก็ดีร่วมนอนก็ดีร่วมบสถสังฆกรรมก็ดี ต้องปลจิตติไปคบเข้ากันเร็วด้วยกันสิเพราพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคบคนเช่นใดจะเป็นเหมือนคนเช่นนั้นตอนนี้เหมือนกับไอ้ของเนา่าถ้าเราใบบอลแล้วใบใบรองใบหอ่อไอ้ของเน่ามันไม่ซึมเข้าไปในใบไม้แต่ว่ากลิ่นเหม็นมันติดท้าปรับก็เหมาะสมแล้วเพราะเคลื่นอยู่ด้วยกันไม่แช่ก็เป็นแบบเดียวกัน นี่นักเบริขบวนทางไหลถ้าหากว่าพวกท่านไปครบแลว้วก็ทัานกไปด้วยกันโพนั้นมันไปเอาเบรีนแน่แล้วมันทำลายพระศาสนาตอนนี้ขอ้อจิตวิสุกเกลียกล่มสมันเนนที่พิสุอื่นใค่ชิบหายแล้วก็โทษที่กล่าวคาข้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้เบปถากรดีร่วมกินกนดีร่วมนอนกรดีต้องปาจิตติ เทินเนนเนี่ยคล้ายๆคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ากถือว่าขาดจากความเป็นเนนเลยแล้วก็ยังจะเป็นดึงเข้ามาเป็นบริสัยของตัวเข้ามาเป็นโคขึ้นท่านปรับเป็นโทษเป็นปลายจิตตีนี่อับดัตท่านปรับปรับเป็นปลายจิตตีนะแต่ผมปรับเองเนี่ยผมปรับถือว่าไม่ใช่ครับด้วยคนที่คล้ายๆขัข้นมาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรายังเห็นดีเห็นชอบแสดงเราเอาด้วย การคั้ายๆกันก็ไม่จะพกเดียวกันแล้วดังนั้นโดเพราะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัตจะเพาะโดยธรรมไม่ตรงตัตอย่างอื่นยิงย่ ง, ยงไปกว่านั้นมีการไปคบคนเช่นนั่นเข้าเอามันกินมันนอนร่วมกันก็สนแสดงว่ามีความเห็นตรงกันท่านปรับโทษกรรมบัตรฝายิึดตีอันนี้ลงนรกเอาง่ายๆก่อนแล้วกันไปนรกจะเป็นพระแล้วไม่เป็นพระก็าตามไปนรกแนะ่ ไปอย่างดีเซะด้วยกายคล้ายคันมาทำมาบินในนี่ไปอย่างดีเอาเวจีหมาเนอะดกอันนี้สําหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าแีจะว่าไปอีกมันก็เหลือทั้งสองนาที น, นี่เวลามันก็หมดไปแล้วเอาละสําหรับท่านหลายเมื่อฟังพระวินัยแล้วผมกล่าวมาย่อๆเนี่ยท่านก็อย่ายสงสัยว่าทำไมถึงพูดยอด่อนักไม่พูดให้มันยาวอย่างท้ออธิบายกันผมก็เขาบอกกับพวกกัน ว่าผมไม่เห็นด้วยกับหาการหาทางหลีกเลี่ยงพระวินัยอธิบายกันยันพุ่งไปดูแล้วมันเสียระบบหมดแล้วผมก็ไปตรวจดูในเมืองนรกตัวจไอพวกอธิบาย พ, พุ่งพุ่งหาทางหลีกพวินัยไปอยู่นรกเกลืนหมดอาหารพวกท่านในหลายต่อไปได้ทําได้ก็ไปดูกันบ้างนี่ผมพูดตามความจริงนี่ผมไม่กลัวต้องว่างไปปฏิบัติกันไปการปฏิบัติตามธรรมพวินัยถ้าทําดีแล้วมันไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ได้ มันเป็นของธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรใจยากหรอกการไปเที่ยวนรกสวรรค์นั้นมันของง่ายง่ายยังบอกรุ้เขับปบากอาะไรสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาแล้ก็ข อ, ขอยุติว่แต่เพียงตรงนี้ขอทุกท่านต้องตั้งใจปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคาสั่งสอนของพระพุทธเ จ, าจา้าจงอย่าฝ่าฝืนเป็นเด็ดขาดท่านเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็ขอปรารบกัมบันดาท่านเพื่อสาธรรมิกในเรื่องของพระวินัยสำหรับพระวินัยบักนี้เป็นวักทีแปดของบทปาจิตตีขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าคำว่า ป, ปาจิตตีหมายถึงว่าจิตเป็นบาปคำว่าจิตเป็นบาปก็คือชั่ว วัคนี้มีสี่การสิบสองสิขาบทคำว่าสิขาบทก็แปลว่าตอนที่สำหรับควรในการศึกษาสิขาแปลว่าศึกษาบทก็แปลว่าตอนตอนนี้เรียกว่าสะทมนิกวักสหธรรมนิก ะ, กรรกะแปลว่าเป็นไปก็เลยทำรี่ให้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรม เป็นตอนที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะควรสํารวมคือรมัดระวังสำหรับพระวินายนีขอมันดาเพื่อนสาธรรมิทั้งหลายขอท่านนั้นหลายจงเข้าใจว่าพระวินายก็คือศีลหรือว่าศีลก็คือพระบินายวินัยแปลว่าระเ บ, บียบแปดแผนที่เราเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระ ถ้่ากว่าระบกพร่องในพระวีไงก็หมายความนี้ว่าระบกพร่องในการเป็นพระนี่คําว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐคําว่าประเสริฐแปลว่าดีไม่มีที่ตินี่ในหนึ่งนักบวชที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสมณะคําว่าสมณะแปลว่าผู้สงบ คำว่าสงบก็แปลว่าไม่จุนจานไม่อโวยวายไม่เกกะไม่ประพฤติ ร, รมเป็นผานเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วฉะนั้นปาจิตตีที่มีคําว่ามีจิตเป็นบาปจะต้องไม่มีกัมมันดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท <c oughs> ี่ในหนึ่งที่เราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาฉันเรียกว่าพิกโคหรือว่าภิกษุ อีกสูแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารคือเห็นโทษในการเกิดเพื่อการเวียนไหว้ัเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเราเป็นพระเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่การที่เราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะมีพระวิ น, นัยครบพ้นบริบูรณ แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เรียกว่าพระยังถือว่าเป็นสมมติสงฆ์คือว่าเป็นปฏิเวทาความระพฤติขั้นตนที่เราจะเข้าถึงความเป็นพระเท่านั้นดังนั้นขอเพื่อนสาธ ร, รมิกะทั้งหลายในเมื่อบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาจงละมัดระวังพระวินัยให้มากอย่าจะเป็นผู้บกต้่องในพระวินยัย ถ้าหากว่าท่านท่านหลายบกต้องในพระวินัยอย่างเบาที่สุดก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างดีขึ้นไปหน่อยก็ลงนรกผมขอรับรองกับบรรดาท่านทั้งหลายสแสดงว่าผมสู้ท่านคำว่าสู้พวกท่านนี่ไม่ได้ไหมายความนั้งว่าผมจะไปชวนชั้นชกและตีรันฟันแทงมาชกต่อยกันไม่เห่อย่างนั้น องค์ขอสู้ด้วยความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมครูศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในในฐานะที่ปฏิบัติตามาคอสมควรตากว่าท่านทั้งหลายที่กําลังปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอ ย, าอย่างยิ่งสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานอย่างนี้องค์สมเด็จพระพชิตรมานทรงเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อพระสูดาปฏิมัก ท่านได้ประโสบไดแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อสกิทาคามีมัตได้เป็นสกิทาคารแล้วท่านก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อนาคามีมัตได้นาคารแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่ออรหัตมัต <c oughs> ได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งมันดาท่านทั้งหลายที่บ่วยเข้ามาในขณะนี้ แลมีหลายท่านเดยกันที่มีอุปนิสัยจะพึงได้วิชาสามอภิญญาหกและปริสัมิทายาน